กลับไปดูถูกเย็ดยามทำไมมึงเป็นหมาทำไมมึงเห่าคนทำไมมึงไม่อาบน้ำทำไมมึงมีงมกลิ่นตัวเหม็นทำไมมึงเป็นหมาขี่เลื่อนอย่างนี้หมาทำไมเป็นก็ไปบ่นให้มันอยู่ตลอดตัวเองก็เลยไปคอยพลอยเป็นนิสัยตาซามไปเป็นหมาไปด้วยทีแต่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าจิตใจมันเป็นหมาปกลายเพราะเราไปพูดแต่เรื่องของหมาเพราะนั้นเราก็รู้ว่าหมาก็คือหมา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 เราไม่ได้มองข้ามจากนั้นส่วนการปฏิบัติตัวของพวกเราถึงวันพระแปดข้ามสิบห้าข้าถ้าเป็นไปได้พอไหว้ไหว้พระกาพระตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือว่าตั้งใจมั่นข้าพรเจ้าจะรักษาศีลวันนี้รักษาศีลห้าวันพระแปดข้ามสิบห้าข้าแต่อย่างวันอื่นเราก็ปล่อยปลาละเลยไป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 อย่างที่เขาเคยพูดเขาพูดมามากต่อมากว่ า, เ, าเป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านแต่ไม่ใช่เป็นพุทธในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พุ่งพ่อได้พูดได้กล่าว อ, าออกไปเนี่ยให้พวกเราทุกๆท่านาใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วก็อย่างน้อยอนะไรให้มีเป็นผู้ปีศินมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีส่วนเรื่องจิตตภาวนานะี่ยก็จะได้ขาดเรื่องจิตตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเร า, เาทุกๆ ท, ท่านนะ เ, เรื่องจิตตภาวนาเนะี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญถ้าาว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านาวันอย่างวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำเยพยายามฝึกขัดนั่งสมาธิ